ในเจ้าวันนี้ขอให้พระพิสุสงฆ์สั ม, มนเน็แมชีและอุบาสิกา <c oughs> ชงตั้งจิตตั้งใจสร้างความเพียรชงตั้งจิตตั้งใจ ทำสมาธิเพื่อที่จะให้เกิดผลเกิดปัญญาในชาวันนี้ก็ขอให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามตามดูใจของตัวเอง พยายามควบคุมใจของตัวเองอย่างที่ได้บอกไปเมื่อข่าวที่แล้วว่าในร่างกายเรามีหลูรั่วเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องคอยตามปิดคอยตามดู คอยสังเกตไม่ให้อะไรเนี่ยมันเข้ามามากจนเกินไปเพราะร่างกายเรามีแต่บาดแผลอย่างที่บอกไว้ก่าวที่แล้วหูก็เป็นลูตาก็เป็นลูจมูกก็เป็นลูปากก็เป็นลูทวารหนักทวารเบาก็เป็นลู ร่างกายเรานี้มีแต่บาดแผลทั้งนั้นผ่านความเจ็บความผ่านผ่านความปวดมาไม่รู้มากต่อมากเท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงไม่พยายามรักษาทำไมเราถึงไม่พยายามดูแล บาดแผลที่ต้องทำให้เราเจ็บเนี่ยให้มันหายดีขึ้นให้มันพร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยที่บาดแผลที่มันเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเรานี้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปสิ่งที่ร่างกายเราต้องเจอ สิ่งที่ใจเราต้องเจออยู่ตลอดเวลามันมันเป็นการเวียนว่ายใจเกิดที่เกิดขึ้นภายในกายและใจของเรากายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อกายเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่สุดท้ายมันก็ต้องดับไปในที่สุด ใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่สุดท้ายมันก็ต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงความคิดของเราก็เช่นเดียวกันต้นเหตุสาเหตุที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายภายในกายและใจของเรา มันก็มาจากความคิดของเราเองต้นเหตุสาเหตุใหญ่เลยไอตัวความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วเดียวมันก็ต้องดับไปในที่สุดเมื่อต้นเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มทําหน้าที่ปรุงแต่งไปอารมณ์มันก็เริ่มปรุงแต่งทําหน้าที่ไปต่างๆนานามไม่มีที่สิ้นสุด ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของวัตะนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดเบียบเสมือนใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งอารมณ์ของเราแม้กระทั่งความคิดต้นเหตุที่มันให้เกิดเนี่ย มันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ทำให้ผู้ ป, ปฏิบัติต้องพบต้องเจอเจอเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาภายในใจของเรา สภาวะที่มันเกิดขึ้นภายในใจบางครั้งเราก็ตามไม่ทันบางครั้งเราก็ดูมันไม่ทันอย่างที่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าไปอยู่ในใจจนมากเกินไปจนเราไม่รู้จนเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เข้าไปอยู่ในจิตในใจเรามันมีอะไรบ้าง มันเป็นอะไรบ้างมันคืออะไรบ้างที่เข้าไปอยู่ภายในจิตในใจของเรากว่าที่เราทั้งหลายจะพยายามทำใจที่มืดบอดของเราทำใจที่ขุนคล้องหมองมัวของเราให้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นใจที่ขาวสะอาด มันก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรใจของเรากว่าที่จะขาวกว่าที่จะสะอาดได้เราก็ต้องซักเราก็ต้องฟอกมันเป็นการซักฟอกใตของซักฟอกใจของเราให้มันมีความสะอาดมากขึ้นแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าในขณะที่เรากำลังถือศีล เรากําลังประพฤติปฏิบัติทำอยู่เราไม่รู้สิ่งที่เรากระทาในแต่ละวันสิ่งที่เรากระทาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียมีทั้งสิ่งที่เราเพึงจะได้และมีทั้งสิ่งที่เราไม่พึงจะได้ ก็ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราได้สร้างกุศลให้กับตัวเราเองแต่กุศลที่เราจะสร้างให้กับตัวเองในแต่ละวันกุศลนั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเพียงเท่านั้นแล้วเราจะ ทำยังไงให้กุศลมันเกิดมากขึ้นคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยังมีความแข่งแย่งชิงดีกันก็ย<ม>ังมีความอิจฉาลิษยากันบ้างก็ยัง ม, มีความเอาเปรียบกันบ้าง<ม>เล็กๆน้อยๆ <c oughs> สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติ เพราะว่าผู้ประพติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจในธรรมไม่เข้าใจในการปฏิบัติอย่างละเอียดท่องแท้เราคิดว่าเรามาถือศีลใส่ชุดขาวเป็นผู้ปฏิบัติแล้วขึ้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้น ปฏิบัติเนี่ยชุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบมันอยู่ที่กายและใจเราเท่านั้นที่จะปฏิบัติได้ถ้าใจเราไม่มีความพร้อมถ้ากายเราไม่มีความพร้อมแล้วลองลองคิดว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันจะตามมาปัญหาก็อาจจะตามมาก็ได้ ความทุกข์อาจจะตามมาก็ได้ความมืดบอดภายในใจอาจจะตามมาก็ได้เมื่อเราเป็นเช่นนั้นเรามีตาก็เหมือนเราไม่มีเรามองไม่เห็นในขณะนี้เนี่ยเราหลับตาเราก็มองไม่เห็นอะไรเลย แต่เราก็ต้องมองให้เห็นใจของเราเองมองให้รู้ในสภาวะที่มันเกิดอยู่ทุกขณะมองให้เห็นใจที่มันเต้นอยู่ทุกขณะในขณะนี้ใจมันเต้นอยู่ยังไงมองให้เห็นลมหายใจที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นตลอดเวลาหรือเปล่า เรามีสติอยู่ตลอดหรือเปล่าพอเราขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปเพราะเราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้ตั้งมั่นในสติเพราะเราไม่มีกําลังมากพอที่จะให้สติเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาพอกําลังเราอ่อนล้าลงสติเราก็จะถอยไป พสติมันไม่ตั้งอยู่ในขณะที่เราทาสมาธินี่เราก็ลองพิจารณาเรามีตาก็เปรียบเสมือนเราไม่มีเปรียบเสมือนคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นหาทางเดินก็ไม่เจอหาสิ่งใดก็ไม่เจอในสิ่งที่เราต้องการยังไงก็เราหาไม่เจออย่างแน่นอน เรามีความต้องการเรามีความอยากได้มีความปรารถนาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้แต่ถ้าเมื่อเราตาบอดมองไม่เห็นแล้วเราจะหาอะไรได้หาอะไรเจอแค่ใช้มือรู ป, ร, ปรูปคำๆไปใช้มือถูถูไถไ ถ, ถไปโดยเราไม่ เห็นโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่หรือไม่พราะตาเรามองไม่เห็นพราะเราตาบอดใช้ตีนถูๆไถๆไปลูปๆคำๆไปก็คิดเอาเองอีกพุงแต่งเอาเองอีกเอสิ่งนี้มันจะใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะ เราก็ได้แต่คิดเอาเองเราก็ปรุงแต่งเอาเองเพราะเราตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นใจตัวของเราเองก็เปียบเสมือนเราเป็นคนตาบอดเพราะเราไม่เห็นไม่รู้และก็ไม่เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้น ถึงเรามีตาดีก็เปรียบเสมือนคนตาบอดแต่ถ้าเราตาบอดแต่ใจเราไม่บอดเนี่ยเราก็จะเห็นหูก็เช่นเดียวกันเรามีหูที่สามารถรับฟังรับรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สามารถแยกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนที่เราพอใจสิ่งไหนที่เราไม่พอใจ หูสามารถรับรู้ได้แยกแยะในเสียงนั้นๆได้ว่าเสียงนี้เราพอใจเสียงนี้เราไม่พอใจเสียงนี้เราต้องการเสียงนี้เราไม่ต้องการเนี่ยหูเนี่ยใช้โสตประสาทหูคอยสัมผัสเสียงคอยรับเสียงอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถใจของเราในแยกแยะได้ในหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามา แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาในหูเราเนี่ยบางครั้งเราก็คิดอีกบางครั้งเราก็พิจารณาไม่ชัดอีกเมื่อมันผ่านเข้ามาแล้วใจมันปรุงแต่งว่าเสียงนี้เราไม่อยากฟังเลยเสียงนี้เราไม่อยากได้ยินเลยเสียงนี้เราไม่พอใจเลยเสียงนี้เราไม่ชอบเลยนั่นคือความคิดความปรุงแต่ง เปียบเสมือนเรามีหูก็เปรียบเสมือนเราเป็นคนหูหนวกเพราะเราไม่เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดเราไม่เข้าใจในสภาวะที่มันผ่านเข้ามาถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางหูทางตาทางปากเราแล้วเราก็ต้องพิจารณา ถ้าเราไม่ใช่ใจคิดไม่ใช่ใจพิจารณาให้ดีๆเนี่ยใจเราก็จะมืดบอดตามไปด้วยใจเราก็จะพิการไปด้วยใจเราก็จะไม่รับรู้อะไรเช่นเดียวกัน<ม>ก็เปรียบสเสมือนเราเป็นคนตาบอด<ม>เราเป็นคนหูหนวกเราเป็นคนพิการแล้วเราจะทำอะไรได้ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเยื่องนี้แล้วเรามีดวงตาที่ดีเราก็ต้องมองแต่สิ่งดีๆเรามีหูที่ดีเราก็ต้องฟังแต่เรื่องดีๆเรามีใจที่ดีเราก็ต้องประคองใจเราไว้ให้ดีๆเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ทำความเข้าใจในสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยการหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามวัตะสงสารสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดคือความไม่เที่ยงในความเป็นไปในธรรมชาติตองคสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ว่าความไม่เที่ยงในสังขารเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนวัตฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบ แม้กระทั่งกายของเราใจของเราในขณะที่เราไม่มีชีวิตยอยู่แล้วกายของเราก็ดับไปแต่ดวงจิตดวงวิญญาณของเรายังต้องไปต่อไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนจะไปที่ไหนจะไปอย่างไรกว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนมาครบรอบหนึ่งทาให้ดวงจิตดวงวิญญาณสามารถ เกิดใหม่ได้แล้วก็สามารถดับใหม่ได้อีกทีหนึ่งผูป้ปฏิบัติทำทั้งหลายสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะ น, นี้คือการเวียนว่ายตายเกิดของกายเราการเวียนว่ายตายเกิดของใจเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ภายในกายและภายในใจ คือสภาวะที่เราจะต้องเรียนรู้สภาวะที่เราจะต้องรับรู้ในสภาวะนั้นๆถ้าเราไม่หมันคิดเราไม่หมันพิจารณาปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้อะไรวันนี้เราทําได้แค่นี้เราก็จงพอใจในสิ่งที่ทําได้ พรุ่งนี้เราทําได้แค่นี้เราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราทําได้ในขณะนี้เราอย่าพึ่งไปคิดอย่าพึ่งไปนึกว่าเราทําไม่ได้เรามีความเพียรไม่มากพอเรามีความอดทนไม่มากพอเรามีความตั้งมั่นไม่มากพอเรามีความศรัทธาไม่มากพอเราอย่าไปคิดเช่นนั้นเราต้องคิดให้รู้ว่า สิ่งที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นการเวียนว่ายเกิดการเวียนว่ายเกิดเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนพระพิสุสงเปรียบเสมือนแม่ชีเปรียบเสมือนญาติโยมที่วันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาบวชอยู่ภายในวัด แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องเสกขาลาเพศแล้วก็ลาจากวัดไปแม่ีก็เช่นเดียวกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันกว่าที่แต่ละคนจะมารวมกันได้กว่าจะมาอยู่ที่เดียวกันได้มันก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นมาจากหลายที่หลายทาง เมื่อมากันหลายที่หลายทางเนี่ยเรามาอยู่รวมกันจุดศูนรวมเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันในการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีความคิดเดียวกันเนี่ยเรามาอยู่รวมกันเราก็อยู่รวมกันไม่ได้มันก็จะมีปัญหาซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันต่างคนต่างมีความคิดไม่ตรงกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกันการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติแล้วเราก็ไม่เข้าใจในกายของตัวเองไม่เข้าใจใจตัวเองแล้วเราก็จะปฏิบัติแล้วเราก็ไปไม่ถึงในเพราะเราไม่รู้ในสภาวะที่มันเกิด เรา่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะภายในกายและใจของเราเราพยายามทำใจเราให้บริสุทธิ์อย่าให้ใจเราต้องมวหมองอย่าให้ใจเราต้องขุนมัวไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความมวหมองความขุนคล่องหมองมัวของใจมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่โทษที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง เชื่อเถอะสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวาไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นศัจธรรมคำตอบเนี่ยชัดเจนที่สุดถ้าเราเพียรทำความดีเราก็ต้องได้ความดีอย่างแน่นอนเราทำความชั่วเราก็ต้องได้สิ่งชั่วๆกลับไปอย่างแน่นอน ถ้าเรามีความศรัทธามีความตั้งมั่นในพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องเลยเราจะได้ไม่หลงผิดเราจะได้ไม่หลงมัเมาในการใช้ชีวิตของเราอยู่ในแต่ละวันในแต่ละวันเอาละ่ะก็ขอให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็จงตั้งจิตตั้งใจได้เก็บไปคิดพิจารณามองให้เห็นถึงความเป็นจริงให้รู้ในสัจธรรมความเป็นจริงในชีวิตให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงความเป็นจริงที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ทุกวันอยู่ทุกขณะให้เข้าใจให้รู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอยู่ในทุกขณะ เราเป็นคนผู้ประพฤติปฏิบัติเราจะไม่หลอกตัวเองเราจะไม่หลงตัวเองเราจะไม่เข้าข้างตัวเองก็ค่อยๆเลื่อมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำกับ